จริงๆแล้วสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ได้รู้ด้วยความเป็นกลางไปเรื่อยๆเห็นทุกอย่างแค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าไปหลงยินดียินร้ายวความทุกข์ก็จะเกิดนี่เราชอบอยากได้สภาวะอันนี้เกลียดสภาวะอันนี้ชอบพอชังขึ้นมาใจก็ดิ้นใจก็ดิ้นใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาใจไม่เป็นกลางมก็ต้องดิ้นไปจนฉลาด มันต้องโง่ก่อนนะนตั้งต้นก็โง่ก่อนทาผิดแล้วผิดอีกวันหนึ่งฉลาดใจหายดือ้อรู้อะไรทุกอย่างชั่วคราวบังคับไม่ได้เลยสภาว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รักไม่เกลียดเป็นกลางาใจเป็นกลางใจไม่ดิ้นรนเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปนะถึงชุดหนึ่งปัญญามันแจ้งทุกอย่างไม่มีเราตัวเราไม่มีตรงไหนเลยซักที่เดียวตั้งหลักภาวนาตั้งหลักให้ดี จุดหมายแรกเป้าหมายแรกต้องสู้ก็คือสู้กับความเห็นผิดของเราเองว่ามีตัวเราพระโสดาครับอุถุชนไม่เหมือนกันนะอุถุชนเวลาดูลงมามันเจอมีเราอยู่ตัวหนึ่งพระโสดาเนี่ยมันจะไม่มีเราละและไม่มีแบบเด็ดขาดคนที่หัดเจริญสติพอจิตตั้งมั่นขึ้นมารู้ตัวตื่นขึ้นมาในขณะนั้นไม่มีเรา ลราคาสตีมันกงมีเราอีกลงความรู้สึกมีเราขึ้นมาส่วนพระริยาทั้งหลายนะั้นจะไม่รู้สึกว่ามันมีเราเห็นโลกมันว่างเปล่าไม่มีตัวมี ต, มตนอะไรแต่ว่าก็เข้าใจสมมุติบัญญตัติในใจพระเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าใครเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่รู้สึกว่าเป็นคนด้วยซ้ำไปแต่ว่าโดยสมมติบัญญัติก็แยกนี่ผู้หญิงนี่ผู้ชาย ก็ปฏิบัติต่อแต่ละคนตามสมมติบัญญัติคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่นนี้เป็นครูบาอาจารย์ปฏิบัติต่อแต่ละคนตามสมมุติบัญญัติแต่ในใจจะไม่สำคัญมั่นหมายว่าใครเป็นอะไรไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีคนเมื่อก่อนมีกลอนอยู่บทนี้จำได้ไหมคนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนออก็คนเลยแหละนั่นแหละก็อยากเห็นคนเป็นคนอยากเห็นผิด แต่ตรนนั้นก็ถือว่าคนเห็นคนเป็นคนดีใช่ไหมในเนี้ยดีในทางธรรมะนะคนยังเห็นคนเป็นคนอยู่เนี่ยคนมีความลงผิดอยู่ยังหลงผิดว่ามีคนอยู่ไม่ดีไม่ดีคนเห็นค น, มค น, คน ไ, มไม่ใช่คนใช่คนไม่ก็ถูกไม่ใช่คนเป็นพลาดทียับุคคล <c oughs> ก็ถูกของเขาอีกนะให้เราคอยรู้สึกนะรู้สึกกายรู้สึกใจไม่มีอะไรหรอกง่าย เอาใครอยากคุยเชิญยกมือเก่งเอาไหมเอาล้วการปฏิบัติช่วงนี้ก็ใจสบายมากขึ้นครับตอนนี้ตื่นเต้นครับรู้อย่างนี้ก็เป็นนั่นแหละใช้ได้แล้วนะภาวนาแล้วสบายขึ้นสบายขึ้นรู้สึกไหมมันโปร่งยิ่งภาวนาแล้วมันโปร่งขึ้นเรื่อยๆแต่เดิมเหมือนเราอยู่ที่คับแคบภาวนาแล้วเหมือนออกที่โล่งมากขึ้นมากขึ้นใจิตใจมีความสุข เป็นอิสระเยอะขึ้นเรื่อยนะอิสระที่ไล่ขอบเขตโอ้ดีจังนะเแฟนไนถ้าเชิญเชิหลวงพ่อคะก็รู้สึกยินดีที่ที่มาฟังธรรมตรงเนี้ยคะ่ะแต่ก็อย่างว่ามันมันมีอะไรอยู่ข้างในมันไม่ได้โปร่งอมไม่ปล่งก็ยังทำอยู่ถ้าไม่ทำนะารู้สักว่ารู้ก็โปร่งขึ้นมาถ้าเกิดโลภะ เกิดโทสะทำงานขึ้นมาอีกก็ไม่ปลงให้ฝึกไปเรื่อยๆหัใจมันค่อยฉลาดนะไม่ได้สู้กับอะไรหรอกสู้กับความเห็นผิดของเราเองภาวนาเราไม่ได้แข่งกับคนอื่นเราสู้กับความลงผิดของตัวเราเองที่มันสะสมข้ามภพข้าชาติมาแล้วหลวงพ่อสอนให้หัดห ด, ดูบ่อยๆเนี่ยคะ่ะแต่ รู้สึกว่าตัวเองมันหลงทั้งวันนะคะต้อง ม, มีเครื่องอยู่อันนึงนะอย่างที่หลวงพ่อบอกถ้าไม่มีเครื่องอยู่มันจะร่อนเร่ไปแล้วเราไม่รู้ทันะแต่ถ้าเรามีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งสมมติเราอยู่กับพุทโธพอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นมันลืมพุทโธลืมพุทโธนะเราเรารึกขึ้นได้ว่าลืมพุทโธไปแล้วมันจะรู้แล้วว่าหลงไปนี่พออยู่กับพุทโธนานๆจิตสงบรู้ว่าสงบ อ, กอีกเองต้องมีเครื่องอยู่อันหนึ่ง ถ้าไม่มีเครื่องอยู่ก็หลงยาวเครื่องอยู่เป็นอะไรก็ได้ในสติปัฏฐานสี่นะหรือบริกรรมก็ยังได้เลยง่ายๆอย่างบางคนบอกว่าถ้าพุโทโธไปนะครูบาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่ล่าปูเจ้าก็บอกพุโทโธก็ทำนิพพานได้ถ้าพูดอย่างนี้คนที่เรียนอริธรรมบอกเป็นไปไม่ได้พุโทโธเป็นสมมติบัญญัติเป็นอารมณ์บัญญัติบริกรรมอาพุโทโธพุโทโธแล้วจะไปนิพพานได้ไง ถ้าพุโทโธพุโทโธไปก็ไม่นิพพานจริ ง, รงๆอย่างที่เขาบอกหรอกนะแต่ถ้าพุโทโธล้วก็คอยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆมันคือการดูจิตดูใจของเรานะมีพุโทโธเป็นแบ็ k กราวไว้เท่านั้นเองเพราะว่าจิตมันชอบคิดแทนที่จะให้คิดร้อยเรื่องผ่านเรื่องก็ให้มันคิดพุทโธไว้เรื่องหนึ่งพอมันหนีไปก็รู้มันเพ่งก็รู้มันเป็นยังไงก็คอยรู้เอาอย่างนี้ทาไมมันจะไปนิพพานไม่ได้ ก็ดูเข้ามาให้ถึงสภาวธรรมแท้ๆคือจิตใจของเราไม่ยากหรอกนะที่ยากเพราะว่าพยายามทำยางยังยังตั้งใจไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่ยังตั้งใจโมโหไหมไม่มันดื้นอนักบ่อยคะ่ะเออนะดูไปตรงนั้นแหละอย่าท้อใจนะมีหลายคนมาเรียนกับหลวงพอ่อ เมื่อก่อนนะเรียนเป็นปีเลยลก็ท้อใจเจ้าโบโบจําได้ไหมโบแฟนเจ้าโยอ่ะสมัยโน้นไปเรียนที่ศาลาลุงชินหลวงพ่อยังไม่ได้บวชทุกเดือ น, นไปส่งกันบ้านถึงก็รีบโผล่หน้าไปให้เราดูที่หนูทำอยู่นี่ถูกก็ยังยังยังไม่ถูกเอาอยวาทำตีรู้เอาร้องไห้นะร้องข้างในกลับบ้านแล้วค่อยร้องข้างนอกแต่หน้าคนอื่นร้องข้างใน นี่มีภายในภายนอกนอีกเดือนหนึ่งมาอีกแล้วปรับปรุงใหม่โยมอย่ยาถ่ายรูปหน้ามันกวนมันเกินเสียสมาธิจิตมันจะดับพบเลยเวลามีสิ่งใดมากระทบไปไหนละเมื่อกี้นี้ออถึงเดือนก็มาส่งกันบ้านอีกแล้ว เ, เปลี่ยนวิธีแล้วมาทำแบบนี้ก็ผิดอีกอวิธีไหนก็ผิดนะอยู่อย่างเงี้ยเป็นปีเลย จนวันหนึ่งท้อใจนะขึ้นรถทัวร์กลับบ้านนั่งรถทัวร์ไปนะไม่เอาแล้วไม่ปฏิบัติแล้วมันไม่ปฏิบัตินะั้นใจมันก็ค่อยสบายขึ้นสบายขึ้นไปถึงกระบี่ตอนเช้าเรือไพนะระอาทิตย์ขึ้นนะใจก็โผล่ขึ้นมารู้ตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยพบว่าจริงๆเราง่ายง่ายนิดเดียวนะอบอกง่ายนิดเดียวบางคนบอกยากเยอะหาเรื่องเฉียงไปเรื่อยๆ จริงง่ายมากง่ายมากต้องบอกง่ายมากภาษาไทยนี่มันพิลึกนะอันนึงบอกนิดเดียวกัมากเนี่ยมันสุดขั้วกันนะแต่ความหมายเดียวกันรู้สึกไหมง่ายนิดเดียวง่ายมากรวมแล้วคือง่า ย, ายถ้าไม่ได้คิดว่าเราจะต้องดีคิดแค่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายเราจะรู้อะไรเกิดขึ้นในใจเราจะรู้ ไม่ได้คิดเอาดีไม่ได้คิดเอาสุขไม่ได้คิดเอาสงบแล้วจะง่ายถ้าหวังว่าจะดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรในนี้ละยากเพราะอะไรเพราะไม่มีจริงถาวรไม่มีจริงดงั้นภาวนาก็รู้บ้างเผลอบ้างตามเรื่องไปผมยังมีอาการติดเพ่งอะครับก็ตั้ง ใ, ใจรู้อะครับใช่ใช่ดีที่รู้นะครับแล้วมันก็สลับกันอยู่อย่างนั้นนะครับ ดีแล้วรู้ไปเรื่อยๆบังคับไม่ได้หรอกกลาวนมัสการหลวงพ่อเจ้าคะ่ะคือช่วงหลังนี้รู้สึกว่าอารมณ์ความนึกคิดปูงแต่งของตัวเองมันเบาๆลงไม่จะขอความเมตตาคุณเวลาจะหลวงพ่อช่วยวิธีใช้สอข้อคะ่ะข้อแรกคือที่ที่รู้สึกเจ็บจริงหรือไม่จริ ง, รงคะแล้วก็ข้อที่สองคือสิ่งที่ยังติดขัดหรือว่าควรจะทําให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนี่ควรจะทํำยังไงเจ้าค่ะ ถ้าทำต่อไปนะใช้ได้แล้วแล้วก็ลดความจงใจลงนิดนึงนิดเดียวนะถ้าลดมากเดี๋ยวขี้เกียจอย่าขี้เกียจน ะ, จะแล้วดูไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้ใจมันตื่นขึ้นมาแล้วมีความสุขให้รู้สึกไปเรื่อยๆเราไม่ได้ฝึกเอาความสุขนะแต่ความสุขเป็นผลปล่อยได้ทันทีที่จิตมันเป็นกุศลนะจิตมันมีความสุขโดยอัตโนมัตินต้องบอกงี้ก่อนเดี๋ยวบางคนมาต่อวว่าสอนยังไงมีแต่ความสุข ก็คนมันมีความสุขนี่จะทํำยังไงอ่ะจะสอดให้มันมีความทุกข์เนือเพราะเราเห็นทุกข์นะเราเห็นกายเห็นใจเนี่ยทุกข์ล้วนๆเลยถ้าใจเรายอมรับความจริงว่ากายกระใจเป็นทุกข์ล้วนๆนมันมีแต่ความสุขนะครานี้มันอัศจรรย์จริงๆแต่ยิ่งเราปฏิเสธเราอยากให้กายให้ใจมีแต่ความสุขล้วนๆเนี่ยใจเรายิ่งมีความทุกข์ถ้าใจเรายอมรับความจริงนะว่ากายกระใจมันทุกข์ล้วนๆเนี่ยใจกลับมีความสุขดูสิอัศจรรย์ มันกลับพัวกับหางอยู่ตลอดเวลานะกับความรู้สึกของเราต้องไงอีกมีไหมไม่มีส่งต่อไปกลับมามรดกหลวงพ่อค่ะตอนนี้ตื่นเต้นแต่ยังใไงจะเรียนถามหลวงพ่อว่าที่โยมปฏิบัติอยู่นี้ยังถูกต้องใช้ได้ไหมยังใช้ได้ดูไปเห็นกิเลสวะไรกี่หนละ่ะก็บ่อยค่ะแต่ยิ่งบ่อยยิ่งดีน ะ, ค, ะคนภาวนาเป็นจะเห็นกิเลสเกิดทั้งวันเลย คนภาวนาไม่เป็นก็เห็นว่านานๆเกิดทีหนึ่งยกตัวอย่างคนภาวนาเป็นเช่นเพราะว่าจิตแอบไปคิดนะทุกๆวินาที2วินาทีหนีไปทีหนึ่งละแวบแวบแวบแวบอยู่อย่างนี้ตลอดเลยนี่อย่างนี้ภาวนาเก่งคนภาวนาไม่เก่งนะแวบแวบโน่นไปถึงเย็นเลยนะอย่างนี้ภาวนาไม่เก่งนะเพราะงั้นเราภาวนายิ่งเก่งนะียยิ่งเห็นกิเลสมากแล้วรู้เลยว่า คนที่ร้ายเท่าเราหายากในใจเราเนี่ยเต็มไปด้วยกิเลสกูศนเกิดน้อยเอากูศลเกิดมากเราะนั้นเป็นธรรมชาติทุกคนเป็นอย่างนั้นถ้าใครมาบอกว่าทั้งวันไม่เห็นมีกิเลสเลยมีแต่ความสุขใจอยู่กับความว่างฉะนั้นภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่เป็นใจอยู่ในความว่างไม่มีอะไรให้ดูเลยสบายเผลอเเพลิเลเลเลนเนใช้ไม่ได้ ต้องรู้กายต้องรู้ใจเห็นเลยร่างกายก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่เที่ยงอ่ะไปว่าไปก็อธิตย์านมาก็ค่อนข้างโมหะเยอะครับรนะโมหะเยอะครับช้าลงดีๆีดีครับพวกมาใหม่ๆอย่าตกใจนะทําไมส่งกันบ้านว่ากิเลสเยอะหลวงพ่อชมทุกทีเลยถ้าใครมาส่งกันบ้านบอกว่าดิฉันไม่เคยโกรธมาหลายปีแล้วอะไรองี้ นีอาการหนักแล้วแปลว่าไปกดข่มเอาไว้อย่างแรงเลยถ้าเลิกข่มเมื่อไหร่น่จะร้ายเป็นนางมารร้ายเลยตอนนี้ดูเวทนาอยู่แล้วพอมันก็อยากจะทิ้งเวทนามันก็กระโดดเข้าไปกํากับอยู่เรื่อยๆให้ใจมันซึมนะใจมันซึมไปนิดหน่อยดูออกไหมไม่ออกเนี่ยขณะนี้ใจมันไม่ตื่นเต็มที่มันซึมๆมัวมัวอ๋อยังมียังมีตัวนิ่งๆอยู่มีนิ่งๆนั่นแหละติดอยู่ ให้รู้ทันตัว น, นั้นแหละอยากปล่อยไม่หมด <ทะ S 1> ถ้าปล่อยหมดใจจะเบิกบานใจจะเบาใจจะอ่อนโยนนุ่มนวลใจจะคล่องแคล่วว่องไวนี่ใจไม่คล่องแคล่วใจซึมซึมทื่อๆไปนิดนึงให้รู้ทันต่อไปก็หายไม่ต้องแก้นะคําว่าแก้เนี่ยไม่มีในวิปัสสนาวิปัสสนาไม่มีคําว่าแก้วิปัสสนามีแต่คําว่ารู้มีกริยาอยู่คําเดียวคือคําว่ารู้ ถ้าเรารู้อะไรแล้วเราอยากให้เป็นอย่างอื่นพยายามแก้ไขพยายามดัดแปลงหรือกระทั่งพยายามจะรักษาพยายามประคองพยายามกำหนดเอาไว้เนี่ยไม่ใช่วิปัสนาละกริยาของวิปัสนาคือคำว่ารู้เท่านั้นเองเช่นหายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้เหลียวซ้ายแลกว่าก็รู้ก้าวไปก็รู้ถอยหลังก็รู้คูก็รู้เหยียดก็รู้ เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้โลภก็รู้ไม่โลภก็รู้โกรธก็รู้ไม่โกรธก็รู้หลงก็รู้ไม่หลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดหู่ก็รู้นั่นกิริยาจริงๆมีอยู่คําเดียวคือคำว่ารู้รู้ทุกอย่างรู้ลงในกายรู้ลงในใจรู้อย่างที่มันเป็นไม่ใช่ว่าไปทําอย่างอื่นถ้าทําอย่างอื่นมีกิริยาตัวอื่นขึ้นมาก็ตกจากวิปัสสนาละเช่นประคองกําหนดควบคุมดูแลรักษาทําอย่างโน้นทําอย่างนี้สิ่งที่ได้แค่สมถะ จะได้แต่สมถะนึกออกแล้วค่ะมันรู้สึกเมื่อคืนนี่อยู่ๆมันก็รู้สึกเพลือกหายใจเพลือกแล้วมันก็ไปนิ่งอยู่เออนิ่งอย่างนี้ยเลิกซะพยายามฟุ้งซ่านไหมพูดจริงๆนะรู้สึกไหมเนี่ยหลุดออกมาละตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันดูออกไหมใจมันปร่งกับตะกี้เห็นไหมใจมันโปร่งใจมันผ่องขึ้นมาละมันโปร่งออกมาเมื่อกี้มันซึมกระือ นะของหนูยังบังคับอยู่หรือเปล่าคะมไม่ได้บังคั บ, คบยังบังคับแล้วประคองด้วยปะคะว่าประคองไหมล่ะ อ, อถูกได่หลวงพ่อต้องถามเพราะอะไรเจ้า ต, ตัวต้องเห็นเองไม่ใช่ให้หลวงพ่อเห็นให้นะเราต้องเห็นสภาพระด้วยตัวของเราเองถึงจะทำวิปัสนาไดนะ้แต่ถ้าเราหลวงพ่อบอกให้ไปเรื่อยๆนะเราไม่เห็นเองใช้ไม่ได้ หลวงพ่ออาจจะบอกเบื้องต้นเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเพื่อให้หัดดูพอดูเป็นรู้เป็นแล้วต้องหัดดูของเราอนะเองอย่างตะกี้เนี่ยจิตไปทำอะไรคิดค่ะออตับถูกใช้ได้ได้คะแนนแล้วเห็นไหมไม่ใช่ว่าห้ามจิตหลายคนภาวนาห้ามคิดห้ามนึกห้ามปรุงห้ามแต่งต้องอุเบกขาต้องอย่างนี้ห้ามอย่างนี้มีอยู่คาว่าต้องกับคาว่าห้ามเยอะแยะไปหมดเลย นั้นไม่ใช่มีปรัชนามีปัชนามีแต่คำว่ารู้รู้คำว่ารู้มีในยะที่ซ้อนกันสองอันนะรู้ด้วยสติก็รู้ด้วยปัญญารู้ด้วยสติก็คือรู้ว่ามีอะไรปรากฏขึ้นในกายในใจหรือรูปธรรมนามธรรมใดๆปรากฏขึ้นมีสติรู้ทันมีปัญญารู้ว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยคำว่ารู้นะครับคลุ่ม2อย่างรู้ด้วยสติกะรู้ด้วยปัญญาเบื้องต้นรู้ด้วยสติ แต่พอรู้ด้วยสติสติะระลึกได้เช่นใจลอยไปสติะระลึกได้ปั๊บเนี่ยถ้าใจตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิสักว่ารู้สักว่าเห็นว่าเมื่อกี้ใจลอยไปไม่เข้าไปแทรกแซงเป็นกลางอยู่ mm hmm. ก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าจิตจะใจลอยก็ห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้จะมีปัญญาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจลักษณมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่การถูกบีบคั้นมีแต่การบังคับไม่ได้ เข้ารู้ลงไปเรื่อยจนใจยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างเดียวกันนี่แหละเงี้เบื้องต้นเราก็รู้สภาวะไปทีละอันทีละอันที่ปรากฏต่อหน้าต่อตาเรารู้ไปเรื่อยๆทีละอย่างทีละอย่างเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวโหดผูนะดูไปเรื่อยๆดูไปแล้วใจเป็นกลางเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันชั่วคราว งั้นเบื้องต้นรู้สภาวะแต่ละตัวซะก่อนเราจะต้องรู้ว่าอันนี้ความโกรธนะแต่ไม่ต้องรู้ชื่อก็ได้แต่เราเห็นเลยสภาวะอย่างเนี้ยสภาวะอย่างที่หนึ่งกับสภาวะอย่างที่สองเนี้ยหน้าตาไม่เหมือนกันอาจจะเรียกชื่อไม่เป็นหรือเรียกชื่อเป็นก็ได้เช่นสภาวะที่เผลอไปกับสภาวะที่รู้สึกตัวนี่คนละอันกันสภาวะที่รู้สึกตัวกับสภาวะที่เพ่งอยู่นี้คนละอันกัน สภาวะที่เพ่งอยู่นะแต่สภาวะที่กลับมารู้สึกตัวก็เป็นโคนล่านหรือเพ่งอยู่แล้วเผลอไปก็เป็นโคนล่านการที่เราเห็นสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวมันแตกต่างกันเนะี่ยแต่ละตัวนั้นแหละถึงจะแสดงไตรลักษณ์ได้เั่นต้องเห็นเป็นตัวตัวนะถ้าเห็นเป็นฝูงฝุงยังไม่เห็นไตรลักษณ์อย่างเนี้ยสมมตินั่งกันอยู่พันคนหมื่นคนนะคนนึงเกาคนนึงยกยิกอะไรเงี้ยดูไม่ออก หรือในทะเลปลาฝูงใหญ่ๆมีหมื่นตัวแสนตัวถูกปลาฉลามเอาไปกินสามตัวเนี่ยไม่รู้เลยเมาะมันมองไม่ออกแต่ถ้าให้ดูทีละตัวเห็นตัวนี้มาแล้วนี่ความโกรธมาแล้วอ้าวปุบปาสรู้ทันดับไปแล้วนี่ถูกฉลามกินไปแล้วความโลภมารู้ทันปุ๊บอ้าวดับไปแล้วนี่จะเห็นเลยทีละตัวทีละตัวมีถ้าเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นต้องรู้สภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวก่อนเพื่อให้เห็นว่าสภาวะ แต่ละตัวนั้นล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งสิ้นถ้าเห็นสภาวะเป็นตัวตัวอย่างนี้ไม่ได้จะเห็นมั่วๆอย่างตั้งแต่เช้ายันเย็นนะขันห้าทํางานคลุกอยู่ด้วยกันทั้งขันห้าในมั่วซั่วอยู่ด้วยกันหมดเลยใจก็หนีไปอยู่กับสมมุติบัญญัติ ด, ด้วยไม่ได้ดูขันห้าด้วยอย่างนี้ไม่มีวิปัสสนาจะไม่เห็นกายเห็นใจเป็นใจรักหรอกแต่ถ้าเราเห็นเลยกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนี่ค่อยกระจายตัวนะ ความโลภความโกรธความหลงเป็นแต่ละตัวแต่ละตัวแล้วแต่ละตัวนั่นแหละเกิดขึ้นมาชั่วคราวเราก็จะหายไปได้ถ้าเห็นกันเป็นฝูงฝูเป็นกลุ่มกลุ่มเป็นก้อนก้อนอย่างขัน5ดูเป็นก้อนก้อนย่างเงี้ยเป็นกลุ่มกลุ่มเงี้ยเราไม่เห็นความเกิดดับของมันดังนั้นต้องกระจายออกไปค่อยๆดูออกไปอันไหนโดดเด่นขึ้นมาในกายรู้สึกไห น, น, นโดดเด่นในจิตใจรู้สึกไปเราจะเห็นสิ่งที่โดดเด่นขึ้นมานั้นอยู่ชั่วคราวเราก็หายไปเรียกว่าเราต้องรู้ สภาวะแต่ละตัวสึกก่อนเรารู้จักสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวนะรู้ว่าตัวนี้ไม่เหมือนตัวนี้ได้ก็เพราะเรารู้ลักษณะเฉพาะลักษณะเฉพาะของสภาวะแต่ละตัวเช่นลักษณะเฉพาะของความโลภเป็นอย่างนี้ลักษณะเฉพาะของความโกรธลักษณะเฉพาะของความหลงเป็นอย่างนี้การเรียกเรารู้จักลักษณะเฉพาะเนี่ยภาษาแขกนเรียกว่าวิเศษลักษณะวิเศษลักษณะว่าลักษณะพิเศษนั่นเองวิเศษะคือคําว่าพิเศษนั่นแหละ คนไทยใช้คําว่าพิเศษลักษณะพิเศษลักษณะเฉพาะตัวนะเช่นใจลอยมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างนี้แอบไปคิดไหลไปแวบๆลืมกายลืมใจไปนี่เรียกว่าใจลอยนะพอเราเห็นลักษณะอันนี้เกิดขึ้นปุ๊บเรารู้เลยนี่หลงไปแล้วนะความใจลอยจะดับทันทีเลยนะเราก็จะเห็นสามัญญาลักษณะสามัญญลักษณะเป็นลักษณะร่วมของทุกๆสภาวะวิเศษลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละสภาวะ เบื้องต้นรู้ลักษณะเฉพาะตัวก่อนเช่นความโลภมันเป็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเรารู้ว่าความโลภมาแล้วแล้วใจเราตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าดูเราก็จะเห็นเออความโลภเกิดเราก็ดับได้เดี๋ยวโกรธอีกแล้วเราเห็นความโกรธผ่านมาเอาความโกรธ ด, ดับไปอีกล้เนี่ยเห็นซ้ำซ้ำซ้ในที่สุดเราก็จับลักษณะร่วมของทุกตัวได้เราเห็นทีละตัวก่อนว่าทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับในที่สุดมันได้ข้อสรุป ได้สามั ญ, ญลักษณะหรือลักษณะร่วมของปรากฏการณ์ของสภาวะธรรมทุกๆตัวอันนั้นเรียกว่าไตรลักษณ์นั่นเองนะสามั ญ, ญลักษณะลักษณะทั่วๆไปการที่เราได้ความรู้รวบยอดนี่ไหมรวบยอดนะไม่ใช่รู้ทีละอันทีละอันตรงที่มีความรู้รวบยอดขึ้นมานี่แหละเป็นปัญญาอย่างยิ่งเลยไม่ใช่รู้แค่ทีละตัวทีละตัวเห็นความโลภเกิดแล้วดับก็เป็นปัญญาเหมือนกันดีเหมือนกันนะ แต่ถ้ามันเห็นว่าทุกสิ่งเกิดระดับนี่นะเป็นอีกระดับหนึ่งเลยมันเกิดจากการเห็นแต่ละตัวเกิดระดับซ้ําแล้วซ้ํำอีกเนจะ็วันเดเดือน7ปีซ้ําแล้วซ้ําอีกอย่างเงี้ยในที่สุดใจมันสรุปขึ้นมาได้ว่าทุกสิ่งเกิดระดับถ้าเมื่อใดเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาทุกๆสิ่งนะจิตจะเข้าสู่ระดับจิตของพระโสดาบันนะเห็นไหมฝึกแทบตายเพิ่งได้โสดาบันงั้นไม่ใช่ไปนั่งหลับหูหลับตานะ ขาดสติวูบแล้วบอกบรลุพระโสดาบันนะนั่งต่อไปวูบครั้งที่สองได้ส ก, กิทาคาวูบครั้งที่สามนะเป็นอนาคาวูบครั้งที่สี่เป็นพระราหารันกลับบ้านเจอสามีดา่าด่าด่าบมันนี่พระราหารันหันหน้าคนอื่นไปแล้วด้วยฝ่ามือนะมีนะมีเยอะนะเนี่ยทีมเนี่ยมีเยอะเลยหันหันหันไปหันมาแล้วซัดเอาสามีก็เละเทะไปแล้วพระราหารันโมโห งั้นไม่ใช่ว่าภาวนาแล้ววูบๆุลงไปนะต้องมีสติขณะเกิดอริยมรรคก็มีสติขณะเกิดอริยผลก็มีสติขณะเกิดมรรคก็มีจิตชื่อว่ามรรคจิตขณะเกิดผลก็มีจิตชื่อผลจิตไม่ใช่ว่าไม่มีจิตหมดสติวูบลงไปแล้วก็บรรุม้มมรรคผลอันั้นมันไม่ไหวหน้าขี้เกียจขี้คล้านอ่อนแอท้อถอยจิตดับลงไปเฉยเรู้สึกเอนะง่าย รู้สึกไหมใจทื่อๆซึมๆเป็นส่วนใหญ่รู้สึกไหมว่าหลวงพ่อพูดอะไรที่ฟังยากช่วยไม่ได้มันต้องยากบ้างพูดแต่เรื่องง่ายๆใช่ไหมคนที่เขาเรียนมาเยอะเขาก็ท้อแท้ใจเราก็ต้องเฉลี่ยกันบ้างแต่วันนี้หลวงพ่อสังเกตอย่างนะวันนี้คนภาวนาดีจะต้องเยอะรู้ได้เลยว่าธรรมะมันจะโลดโผนถ้าวันไหนพวกภาวนาไม่ค่อยดีนะจะมีแต่เรื่องทําทานถือศีลอย่าเงี้ยนะ ธรรมะมันเป็นตามคนฟังผู้กำกับส่งกันบ้านหน่อยเอาไมโครโฟนอเด็ดเดี๋เว็เด ย, วยังไม่หมดเลยยังไม่หมดค่ะอะวาดไปอย่างยังเวลาดูเนี่ยค่ะจังหวะที่พอเราเห็นแล้วเพิบสติเกิดมันก็คือแว บ, บเดียวแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปประคองแล้วะคะ่ะก็ให้รู้ไปแล้วก็เริ่มอัดแล้วแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะก็อยากไปฝึกไว้เอง เห็นไหมมันจิตมันเป็นไปตามความเคยชินมันเคยประคองนี่มันก็ประคองสิต่อไปเอาใหม่มันเคยรู้ต่อไปมันจะรู้บ่อยก็อย่าไปหัดประคองนะเลิกซะแต่ว่ามันมันเป็นเองมันต้องรับรับเบริ่รับกรรมรับวิบากอยากไปฝึกไปเองไม่มีใครเขาบังคับซะหน่อยรับชะตากรรมไปขอคําแนะนำเพิ่มเติมอดทนไหมแล้วก็ดูลูกเดียว ไปส่งไปผู้กำกับนานนานมาทีผู้กำกับตำรวจนะไม่ใช่กำกับละครนะไม่ใช่กำกับหนังนะนกราบธรรมสการ์หลวงพ่อครับผมมีความรู้สึกว่าอาชีพผมกับการภาวนามผมคงจะเสียเปรียบครับเพราะว่างานที่ทำอยู่มันอยู่กับเอกสารจํานวนมากแล้วก็อยู่กับบุคคลผู้แต้บัญชามักจะ สร้างปัญหานําโทสะมาให้เกิดอยู่เรื่อยเลยครับแต่ก็พยายามควบคุมอารมณ์อยู่บางครั้งก็หลุดหลุดเฟรมก็ด่าไปบ้างประมาณนี้ครับแต่แต่เารู้ว่ายังมีความโลภอยู่เยอะความความโกรธเ้ายังอยู่เยอะความหลงก็แน่นอนครับมันมีแทรกอยู่แล้ว<ม>เพราะว่าเวลาโดนผู้บังคบัญชาตำหนิมาใจมันก็ซึมครับ ใจซึมแล้วก็ ม, ม, มันซึมมันซึมนานต้องอาศัยแม่บ้านช่วยช่วยช่วยสกิดครับจิตก็จะตื่นมาบ้างเป็นเป็นครั้งคราวผมผมจะรอดไหมครับพ่อครับรอดสิแม่บ้านสะกิดให้บ่อยไว้สาธุครับค่อยๆไปนะจิตจริงๆแล้วงานเอกสารงานอะไรนะหลวกพ่อก็ทำเยอะเมื่อก่อนอยู่สภาความมั่นคง อยู่กับเอกสารอยู่กับคนจํานวนมากเลยทั้งประเทศเลยเดี๋ยวหน่วยงานนั้นเดี๋ยวหน่วยงานนี้ล้วนแต่ปัญหาเยอะแยะเลยแต่ว่าการที่เราต้องกระทบผัสสะมากๆนะจิตใจบางทีเหนื่อยท้อใจบางทีก็เหนื่อยบางทีก็ห ง, กงุดหงิดเราอาไว้ดูมันกลายเป็นทรัพยากรสําหรับการทํำมิปรสนาที่ดีมากเลย หรงพ่อโดยตัวเองนะสังเกตดูตั้งแต่เด็ก7ขวบจนอายุ29ทาทำแต่สมถะมีความสุขพอ29มาเจอหลวงปู่ดูลไม่ได้เก็บกดอย่างเดิมแลวหัวกระทบกระทบโลกนะจิตซึ่งมันมีแต่ความสุขมานานกระทบแล้วมันรุนแรงนะรุนแรงเราไม่ตกใจเราตามรู้ตามดูตามรู้ตามดูไปหรือเวลาที่เราทางานเอกสารนานๆคิดงานเป็นชั่วโมงชั่วโมหัวหมุนไปหมดแล้วดูจิตไม่ได้ดูกาย เด้วยการลุกไปห้องน้ําตอนเดินไปห้องน้ำนี่เห็นร่างกายเดินไปห้องน้ําไปยืนฉี่เสร็จแล้วพอฉี่เสร็จมันจะมีความสุขใช่ไหมโดยธรรมชาติเพราะว่าห้องที่เราเข้าไปเขาเรียกห้องสุขขาเราเข้าไปแล้วมีความสุขตอนเดินออกมาเนี่ยเรารู้ทันจิตที่มีความสุขออกมาได้แล้วถึงเวลาเราอยากรีบทํางานให้เสร็จเร็วโทรศัพท์มากวนเนี่ยเราหงุดหงิดเรารู้ว่าหงุดหงิดดูความหงุดหงิดไป แล้วก็หายงุดหงิดแล้วก็คุยโทรศัพท์ทํางานต่อโทรศัพท์มาบ่อยๆนะแอบยกหูมันทิ้งแนละ้วทำเป็นวาง <c oughs> ไม่ดนะีหรือแบตก็ถานหมดไปนะ <c oughs> มือถือฐานหมดอย่างเงี้ยก็ค่อยๆดูเอาใจที่แ่งขึ้นแฝงลงแฝงขึ้นแฝงลงแล้วหลวงพ่ออยู่กับหัวหน้าที่สี่เรียดมากหัวหน้าหลวงพ่อนี่สีเรียดขึ้นชื่อลือชาเลยมยีวันหนึ่งคนข้างบ้านโทรมา บ, บอกไฟกําลังจะไหม้บ้านคุณแล้ว รามมาจจะถึงแล้วเราก็ตกใจจะรีบกลับบ้านวันหน้าแกบอกว่าบ้านเธอเล็กนิดเดียวไม่ไป็ไม่เห็นจะเป็นไรเลย <c oughs> เรื่องจริงนะโอ้ oh, อัศจรรย์อีก <c oughs> อีกคราวหนึ่งพี่สาวโทรมาจากสิริราชพ่ออยู่ห้องไอซียมาเร็วๆมาเร็วๆกำลังจะขาดใจแล้วนะเราก็ตกใจรีบลุกไป หัวนหน้ากองบอกเธอจะไปทำไมเธอไม่ใช่หมอเธอทำงานไปเดี๋ยวเย็นเย็นค่อยไปก็ได้ถ้าเขาจะตายเขาก็ตายนะอนี่อย่างนี้ก็มีนะปรากฏว่าหลวงพ่อทำงานอยู่กับคนนี้สิบกว่าปี14ปีเป็นช่วงที่ภาวนาได้กระฉับกระเฉงที่สุดเลยเลยรู้เลยว่าเนี่ยนาทีทองของการปฏิบัติเราอยู่ตอนที่ชีวิตมีปัญหานี่แหละ เสร็จแล้วโอยเบื่อเต็มปดาแล้วว่า14ปีแล้ว ส, สิปีแห่งความหลังแบบสุรพลร้องอ่ะนะรู้สึกไม่ไหวแนละ้วหางานใหม่ดีกว่าไปสมัครงานใหม่มาอยองค์การโทรศัพท์คราวนี้เราเลือกเองหมดเลยเราเลือกงานเราเลือกนายนะเราเลือกทุกอย่างด้วยตัวเองเหม้ทํางานอย่างมีความสุขเลยการภาวนาเฉยไปเยอะเลยเนะพราะงั้นผู้กํากับนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละภาวนาดี สภาพจิตผมดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับตูบ้ครับน่าคุณแต่คุณแตะมากเอยเอาไหมมีไหมอ่ะส่งไปทตะนดก็รู้สึกางานยุ่งนะคะที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าจิตใจ <c oughs> <c oughs> งานยุ่งก็ช่างมันใจไม่ยุ่งก็แล้วกันเวลาเราต้องคอนเซนเทรตกับงานแล้วก็ตั้งใจทำไปพอขี้เกียจ ร, รู้ทัน ปัญหาใหญ่ของคนทำงานที่ทำแล้วไม่มีความสุขนะคือเบื่อไม่อยากทำงานนะ่ะถ้ารักงานนะจะทำงานอย่างมีความสุขเพราะฉะั้นเราพยายามรักงานคุณแตมเป็นสถาปานิกออกแบบอะไรสวยๆงามๆนะเสร็จแล้วเห็นสิ่งที่เรารั่งสรรขึ้นมาสร้างสรรขึ้นมาสวยงามภูมิใจมีความสุขพยายามรู้สึกอย่างนี้พอเรารักงานเราก็อยู่กับงานได้หรือเราเลี้ยงลูก ลูกมีเรื่องโน้นเรื่องนี้ลูกเจ็บป่วยนะเราดูแลถ้าเราได้ดูแลคนที่เรารักเราก็จะมีความสุขทำใจอย่างนี้เราั้นไม่ว่าเราทำอะไรเราก็มีความสุขได้อยู่ที่การวางใจเพราะนวางใจให้สบายวางใจให้ดีแล้วมีความสุขก็มีความสุขแล้วเราก็มีเรี่ยวมีแรงรู้กายรู้ใจไปอย่าดํารงชีวิตด้วยความหดหู่ท้อแท้นะ พวกเราํานวนมากเลยอย่างเราทํามาหากินอะไรนี้มันฝืดเครื่องลําบากอะไรเนี่ยที่จิตใจหดหูท้อแท้ความหดหูท้อแท้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเป็นเครื่องบันทอนทําลายล้างเราอย่างมากที่สุดเลยพยายามสนุกไว้กับงานของเรานะที่เราทําอยู่แต่ละวันแต่ละวั น, วนอย่างผู้กํากับบอกเนี่ปัญหาเยอะลูกน้องมันยังเงน้นอย่างนี้ใช่ไหมมองในมุมที่ดีมันก็มีประโยชน์กับการภาวนางานของเรา ค้าขายดีบ้างไม่ดีบ้างนะก็เราก็เอามาดูใจที่แปงขึ้นแปงลงเคยมีนะบางคนค้าขายอยากมาฟังเทศเลูกค้ามันมาเยอะลาคาญวันนี้ไม่อยากให้มาจะไปจะมาฟังเทศใบๆค่อยมาก็ไม่ได้รีบตะลีตรานมากินอะไรแต่เช้าพอายไม่มีลูกค้าเลยอยากให้มันมาอีกแล้วอยากให้มาอีกแล้วไม่มีความสุขอีกแล้ว หรืออยังหมอนะเช้าขึ้นขับรถไปถึงโรงพยาบาลเห็นคนล้นออกมานอกโรงพยาบาลเนี่ยใจยังเหี่ยวเลยเย็นขับรถไปถึงคลิ น, นิกคนล้นออกมาหน้าถนนนยิ้มเลยมันอยู่ที่วางใจนะงั้นวางใจให้ดีแล้วมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตของเรานะพอเหมาะพอควรใช้ชีวิตอย่างสมเหตุสมผลแล้วก็หัดรู้หัดดูกายหัดดูใจของเราทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็เก่งเองอะ ไม่ใช่ว่าต้องดูได้ยีบสชั่วโมงนะอย่างตอนที่หลวงพ่อทํางานก็ไม่ใช่ว่าดูได้ตลอดเวลาแต่หลวงพ่อด <ky> ูตั้งแต่ตื่นตอนตื่นเรายังไม่ได้ทํางานเรารีบดูไว้ก่อนตอนกินข้าวยังไม่ได้ทํางานรีบดูไว้ก่อนตอนอาบน้ํำก็ยังไม่ได้ทํางานนะรีบดูไว้ก่อนตอนนั่งรถไปทํางานยังไม่ได้ทํางานเนี่ยเราก็ดูไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่ทิ้งเวลาเล็กๆเวลาเล็กๆน้อยก็ไม่จริ้งมันคอยรู้ค่อยดูเรื่อยๆเคยอ่านหนังสือ ระวัติหลวงพว่อเกษมก็จะอยู่หัวเนี่ยสเสด็จไปเจอหลวงพว่อเกษมแล้วท่านกเกษมเข็ยมมนมะกระไม่ใช่กเกษมอายุธยากเกษมเข็ยน ม, มโกูอยู่ลำปางไปเล่าให้หลวงพว่อเกษมฟังบอกผมมีเวลาน้อยนะมีงานเยอะแต่ละวันเนี่ยเวลาท่านมีเวลาว่างท่านซอยชีวิตท่านเป็นช่วงเล็กๆมีเวลาว่างนาทีสองนาทีท่านก็ดู ของเราถ้าทํางานอยู่แล้วมีเวลาว่างนาที2นาทีเราจะผ่อนคลายรู้สึกไหมเราจะทิ้งเลยไม่ดูตอนนี้ฉันจะต้องพักก่อนให้สบายก่อนเนื้อสบายแล้วฉันจะมาดูปรากฏว่าชีวิตมันงานเยอะมันจะไม่มีเวลาดูงั้นถ้าเรามีช่องเล็กๆนะรู้ลูกเดียวเลยตมาก็ใช้วิธีนี้นะที่ผ่านมาใช้วิธีนี้แหละดูตัวเล็กตัวน้อยไม่ทิ้งในสุดมันก็เป็นเร็วเว่าเราไม่ทอดทิ้งคอรู้เรื่อยๆ แล้วก็มีข้อดีอย่างหนึง่งดีกว่าไปนั่งสมาธิหลับหูหลับตาอยู่ได้เป็นวันวการที่เราอยู่กับโลกเนี่ยจิตแ่งขึ้นแ่งลงแว่งขึ้นแฝงลงเนี่ยมันคือทรัพยากรของการทํำวิปัสสนาเนี่ข้อดีนะไม่ใช่ว่าอยู่กับโลกแล้วมันไม่ดีเป็นคารวะถ้าภาวนาเป็นเนี่ยเบื้องต้นนะโสดาสิกิทาคาอะไรเนี่ยไม่ช้ากว่าพระหรอกแต่เบื้องปลายนีย่ทำยากเพราะภ า, าระมันมากเหมือนเบื้องต้น จิตใจที่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงแล้วเรามีสติตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยเนะี่ยเท่ากับเราทำการบ้านทั้งวัน mm. ดีกว่าคนมาอยู่วัดบางคนซึ่งนั่งสมาธิแล้วก็เคลิมสามวันสคืนนั่งอยู่งคนะั้นะข้าวปลาลืมกินไปน้ำไม่อาบนะมีความสุขโอ้ตื่นขึ้นมาสดชื่นตาเยิม้มอยู่นะเยิ้มเนี่ยจะเคลิมแบบคนติดยาเห็นแล้วอยากเบิร์ตกลกนะต้องรู้สึกรู้สึกนะ งั้นเป็นกะลาว่านี่แหละงานเยอะภาระมากนี่แหละต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติ้ชีวิตจะจมอยู่กับความหดหู่ท้อแท้ความเบื่อหน่ายจมอยู่กับความทุกข์หาทางออกไม่ได้ก็ต้องไปหาทางออกแบบไม่ฉลาดไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวเล่นเพลินๆ อ, อะไรเงี้ยแตถ้าเรามีธรรมะเรามีทางออกที่ดีจิตใจก็พัฒนาไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมีความสุขเมื่อกอยู่สภาความวามั่นคงเครียดนะเพิมกับ เคียดมากเลยงานถ้าทําอะไรผิดพลาดนะบ้านเมืองอาจจะเสียหายคนอาจจะตายทั้งเยอะก็ไดนะ้เหมือนอย่างวางนโยบายพลาดเใชนไหมปักใต้ฆ่ากันมาตั้งกี่ร้อยคนแล้วเนะี่ยเวลาทํางานพลาดนะมันเสียหายเยอะนี่เป็นเครียดแต่ว่าเราหัดรู้หัดดูนะสักพักเดียวเองหัดดูอยู่พักเดียวเราเดินยิ้มกับสายลมและแสงแดดได้เหมือนเดิมแล้วตอนทําสมาทาเราก็ยิ้มกับสายลมแสงแดดนะ มาหัดทำวิปัสนาอยู่แปดเดือนเองอันได้แปดเดือนเอ๊ะเจเดือนเจ็เดือนเองเดือนยิ้มอีกแล้วยิม้มเป็นที่ขึ้นชื่อลือชาในทรรเนียบเลยว่าอิตานน่มันยิ้มทั้งวันช่วยไม่ได้คนมันมีความสุขนัเห็นโลกเป็นทุกข์นะแล้วมันมีความสุขเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์แล้วเรามันมีความสุขถ้ากายกับใจเป็นทุกข์แล้วเราไม่อยากให้มันทุกข์อันนี้เราถึงจะทุกข์ด้วย ถ้ากายกระใจเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราไม่เป็นทุกข์กับมันนะเราก็าไม่ทุกข์หรอกจะมีความสุขอยู่ได้เงี้ยค่อยๆอยู่ไปนะอยู่กับโลกไปงี้แหละยังไม่มีโอกาสบวชอยู่กับโลกไปคุณแต้มก็เลี้ยงลูกไปฟันะงหลวงพ่อแล้วมีกําลังใจมากขึ้นค่ะเนาะนะเรียนธรรมะต้องสบายสิเรียนให้ลําบากทําไหมอ่ะเมีม่ยวอยากได้อนาะได้กราบนวัตสการหลวงพ่อค่ะคือ เมื่อสองวันมานี้ค่ะก็เมื่อเมื่อสองวันมานี้ค่ะ ม, มันมีโทสะตกค้าง ค, ค, คือเข้าใจว่ามันเกิดจากอัตตามานะข้างในค่ะทีนี้ก็ก็เลยมีมีข้อสงสัยค่ะขออนุญาตถามมหาว่าตัวอัตตามานะเนี่ยค่ะมันเป็นมันเป็นตัวตนที่เป็นความหมายเดียวกันกับคําว่าสักกายทิฐิหรือหรือเปล่าคะเป็นคนละอันกันตัวทิฐิคือตัวความเห็น มีความคิดมีความเห็นมีความเชื่อนะส่วนตัวมานะเนี่ยมันเป็นความสําคัญตัวเองความสําคัญตัวเองว่าฉันดีกว่าเขาฉันเท่าๆท่ากับเขาฉันเลวกว่าเขานเนีเ่ยนี่พวกมานะนะนี่อย่างที่เรื่องเราไปเรื่องอัตตาแล้วก็เขรียกอัตติมานะกูแน่กูหนึ่งมันเป็นความสําคัญมั่นหมายแต่ว่า คนที่มีมานะเนี่ยแต่ว่าต้องมีสักยัติจิตเสมอไปไหมไม่มจําเป็นพระอนาคามีมีมานะแต่ไม่มีสักยัติจิตสักยัิฐิมันเป็นแค่ความเห็นความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราเะฉะนั้นเราไม่เห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราแล้วแต่ความเคยชินเนี่ยยังอยู่มันรู้สึกกูแน่กูหนึ่งอยู่แต่มันจะเวลาย้อนมาดูลงมาในกายในใจนะจะเห็นว่าว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนแต่พอขาสติเนี่ยนะมันจะรู้สึก ว่ากูแน่กูหนึ่งขึ้นมาไม่เหมือนกันนะคนละตัวกันแต่ว่าพูดยากอย่าเพิ่งไปดูอย่าเพิ่ง ไ, ไปต่อสู้กับมานะแต่ถ้ารู้สึกเซลล์จัดนะรีบรู้ทันเซลล์จัดแล้วจะขี้โมโหนะให้คอยรู้ทันนะศัตรูเราก็คือสักยัติจิตรู้สึกไหมกายเป็นเรารู้สึกไหมจิตเป็นเรา พอมีสติขึ้นมาเห็นแล้วกายไม่ใช่เราแต่จิตยังเป็นเราอยู่ตามรู้ตามดูนะจนมานหนึ่งจิตไม่เป็นเราแต่จิตไม่เป็นเราแล้วเวลามีสติขึ้นมาดูลงมาในกายในใจจะรู้สึกกลวงๆของเราตอนนี้เวลามีสติขึ้นมาดูลงมาเนี่ยยังเห็นว่ามีเราอยู่คนหนึ่งในนี้ถ้าลาสกักยัติทิฏฐินะดูลงมาแล้วกลวงไม่มีเราแล้แต่พอขาดสติขึ้นมาเนี่ยมาน้าเกิดนะรู้สึก ก, อกูอย่างน้อนกูอย่างงี้ แต่พอมีสติดูลงมาในกายในใจก็เห็นว่างเปล่าไม่มีเราแต่ขณะนี้พวกเราเวลาดูลงมารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเนี่ยสักจะที่ตียังอยู่ทั้งๆที่ไอตัวที่รู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยกับไอตัวที่รู้สึกว่ากูเก่งเนี่ยคนละอันกันแยกออกไหมเนี่ยเราดูลงมาในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งแต่เราคนนี้เงียบๆส่วนไอตัวที่เต้นกาๆว่ากูเก่งกูเก่งเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งน่าตัวมานะคนละตัวกัน แล้วการทีม่มีโทสะตกค้างนี่เ ป, นนเป็นเพราะว่าเป็นโทสะจริตใช่ไหมคะใช่มันจะย้อมใจอยู่เรื่อยโทสะจริตดีนะดูง่ายเพราะมันหยาบมันมีความทุกข์ให้ดูถ้าเป็นโมหะจริต ด, ดูยากเพราะจะไม่ยอมดูหรือดูไม่เห็นราคาจริตก็ดูยากแต่ว่าไม่ยากเท่าโมหะราคาจริตมันจะเผลอๆเพลิลลลนๆไปมีความสุข มีความสุขแล้วก็ยิ้มหวานๆไปเรื่อยๆเช่นบางคนชอบทําบุญคิดแต่รายการอาหารทําบุญมีความสุขอย่างนี้มันจะเพลินๆนราบนมาสการ์พระอาจารย์ครับผมมาเป็นครั้งแรกครับก็ได้แต่ฟังซีดีของพระอาจารย์นะครับอยากจะทราบว่าที่ผมก็พยายามจับจับความได้ะครับก็คือพยายามให้รู้ครับแต่เหมือนกับว่ามัน มันรู้แบบภาคไปมันก็ไม่ได้แบบยังไงอะครับเหมือนว่าสักแต่พูดในใจอะครับว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแต่ไม่รู้มันรู้จริงหรือแบบอะครับให้เรารู้ความรู้สึกนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไปด้วยเมื่อมันรู้ความรู้สึกแล้วมันจะภาคเนี่ยเป็นเรื่องปกติใจของเราในขั้นนี้ยังภาคอยู่เช่นมันโกรธขึ้นมาเรารู้ว่ามันโกรธแล้วใจมันจะรีบภาคเลยเนี่ยความโกรธเกิดแล้วอะไรเงี้ย หรือถ้าฟุ้งซ่านต่อไปอีกความโกรธไม่ดีนะเองก็อย่างนี้อันนี้เรียกฟุ้งซ่านละถ้าแค่มันพากนิดๆหน่อยๆ น, นะไม่เป็นไรแต่ถ้าไปช่วยมันคิดเนี่ยเป็นไรละมีปัญหาตอนนี้ใจแอบไปคิดแล้วทราบไหมครับแล้วใ จ, ใจอยากพูดทราบไหมครับ เ, เห็นมันดันกลางอกไหมเวลาอยากพูดนั่นแหละดูอย่างนั้นแหละกิเลสอื่นๆก็ผุดขึ้นที่กลางหน้าอกนั่นแหละแต่ว่าห้ามไปจ้องอยู่ที่กลางหน้าอกนะ ถ้าไปจ้องแล้วรอดูว่าเมื่อไหร่ตัวอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ทําผิดแล้วกลายเป็นการเพ่งจิตไม่ใช่การตามรู้จิตที่เราว่าดูจิตดูจิตคือการตามรู้จิตนะเนี่ยตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วทราบไหมครับเออมันไปคิดก่อนแล้วเรารู้ว่าคิดอย่างเมื่อกี้มันก็อยากพูดขึ้นมาอีกรู้สึกไหมมันดันเพลือกขึ้นมาเนี่ยหัดดูไปอย่างเงี้ยความโลภความโกรธความหลงก็จะดันขึ้นมาอย่างนั้นนะเนี่ยหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมครับผม หัดดูอย่างเงี้ยนะแล้วสังเกตไหมพอรู้ว่าหนีไปคิดที่ไรอยากพูดเรื่อยๆนะดูออกเปล่ายังไม่ค่อยออกถ้าอาจารย์บอกแล้วก็ค่อยรู้อะครับเออใช้ได้อาจารย์บอกแล้วยังว่ารู้ยังตามรู้แนละ้วใช้ได้นะบางคนอาจารย์บอกแล้วบอกอาจารย์ใส่ร้ายเนี่ยใจลอยอีกแล้วรู้สึกไหมครับมันอยากพูดครับเออนะรู้ไปรู้ไปครับอา่าให้พูดได้ครับผมก็ถ้างั้นก็คือ รู้สึกเหมือนว่าจิตผมอะครับรู้สึกว่ามันจะไปจับอยู่ที่กลางอกแบบที่พระอาจารย์บอกเวลาอยากจะรู้ว่าสภาวะนั้นเป็นไงนั่นแหละให้สภาวะเกิดก่อนแล้วค่อยรู้มันอย่าไปจับอยู่ที่กลางอกนะจับอยู่ที่กลางอกมันกลายเป็นการเพ่งจิตอย่าไปจับไว้เสียเวลาเราอย่าไปกลัวหลงให้มันหลงไปแล้วรู้ว่าหลงให้มันโกรธไปแล้วรู้ว่าโกรธอย่ากลัวว่าเดี๋ยวมันเกิดแล้วเรารู้ไม่ทันนั่งเฝ้าไว้ก่อน หลวงพ่อยกตัวอย่างให้นะสมมุติเราจะไปจับแย้จับกระต่ายอะไรสักตัวอย่างเนีนะ้มันอยู่ขุดรูอยู่สมมุติมันขุดรูอยู่ขุดโพรงอยู่เราถือไม้ไปนั่งเฝ้าอยู่ปากรูนะไม่มีอะไรโผล่ให้ดูหรอกเนี่ยเราไปเฝ้าอยู่ปากรูมันนะไม่มีอะไรโผล่แต่ถ้าเราไม่ได้จงใจเฝ้านะแลเผลอๆปุ๊บมันโผล่ขึ้นมาแล้ะเราค่อยเห็นมันให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอาอย่าไปจ้องอยู่ที่ลิ้นปีกกลับขอบพระคุณครับ มาสการครับจะเรียนถามตรงที่ถามเรื่องทุกนะครับพี่ว่าดังนิดหนึ่งดังนิดพี่ว่าใจเป็นทุกนะครับที่ใจเป็นทุกเพราะว่าใจมันดิ้นตลอดเวลาใช่ไหมครับไม่ใช่ตรงที่ใจดิ้นตลอดเวลาก็เป็นทุกนะเป็นทุกอย่างหนึ่งจิตที่ปรุงแต่งและจิตทีนรนจิตก็เป็นทุกนี่อย่างหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูซึ่งไม่ดิ้นรนไม่ปรุงแต่งนั่นแหละ ถ้าวันใดเราเห็นว่าตัวนี้เป็นทุกข์แล้วเราจะปล่อยวางจิตแต่ว่ายังไม่เป็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นเพราะว่ายังไม่ได้เดินอรหัตตะมัชนะเห็นเห็นได้ได้รู้สึกว่ามันทุกข์เพราะมันดิ้นเฉยเฉยเราเห็นทุกข์เห็นไหมจิตเรามีสองชนิดจิตที่ดิ้นรนก็เป็นทุกข์จิตที่ไม่ดิ้นรนไม่เป็นทุกข์นี่เราเห็น2อันไอ้ที่ไม่ดิ้นรนยังไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ครับเออนั่นเราเห็นว่าไม่เป็นทุกข์เลยต้องดิ้นเราถึงจะรู้สึกทุกข์ งั้นจิตเรายังมีสองอย่างจิตที่ทุกข์กับจิตที่ไม่ทุกข์แต่ตรงที่เห็นแจ้งว่าจิตเป็นทุกข์นี่นะเห็นว่าจิตทั้งหมดเลยเป็นทุกข์ไม่มีหรอกจิตที่เป็นสุขอย่างนั้นถึงจะปล่อยวางความยึดถือจิตได้แต่ถ้ายังเห็นว่าจิตที่มีความอยากจิตที่มีความยึดถือจิตที่มีความดิ้นรนเป็นทุกข์จิตที่ไม่อยากจิตที่ไม่ยึดจิตที่ไม่ดิ้นเป็นสุขเนี่ยถ้ายังมีคู่อย่อย่างี้จิตจะดิ้นรนหาความสุขจะดิ้นรนหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆจิตที่รู้อารมณ์ แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่กับอารมณ์นั้นแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์อ่าไม่เห็นอะยังเห็นว่าเป็นทุกข์ไม่ได้นะยังไม่ใช่ภูมิที่จะเห็นเห็นยากที่สุดเลยพระนาคายัางไม่เห็นเลยแต่ว่ามันถ้าเกิดว่ามองไปที่ตัวเองปุ๊บเนี่ยแล้วจะเห็นว่ามีตัวปุ๊บพอเห็พอรู้อมองไปที่คนอื่นอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนตอนที่ผมขึ้นอกไฟฟ้าผมมองที่ตัวว่าไม่มีปุ๊บพอมองไปคนอื่นกลายเป็นหนอ กลายเป็นหน่อมันเลยไม่มีหญิงไม่มีชายเลยอย่างนี้น่าใจละที่ไม่มีความสำคัญมั่นหมายนะไม่คิดนึกปรุงแต่งภาพมองเห็นนะมันก็เห็นอะไรโปรโผล่ขึ้นมาเท่านั้นเองแต่มันไปเห็นว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งดิ้นอยู่ในตัวแต่และคนแต่และคนเอออย่าไปดูนะดูของเรานะอย่าไปดูไอ้ที่ดิ้นของคนอื่นเดี๋ยวเหมือนพระอนุรุทธนะ์น่ยที่เล่าเมื่อเช้าแต่มันก็ไม่เห็นผู้หญิงผู้ชายนะครับเออดีแล้วล่ ะ, นะะรู้ไปอย่างนั้นแหละ แต่ว่าอย่าไปดูจิตคนอื่นนะ ใ, <ช>ให้ดูจิตตัวเองอย่าดูจิตคนอื่นมันรู้เองไงครับเออนั่นแหละอย่าพยายามไปรู้มันอย่าไปดีใจที่รู้ถ้าพอใจที่รู้มันจะรู้เร็วขึ้นเรืเร่อยๆแล้วต่อไปมันจะไม่ยอมรู้ตัวเองยกเวลาที่ตอนทําสมาธิมันจะเป็นตัวตนขึ้นมาครับอะไรนะตอนที่เราเริ่มตั้งใจทําสมาธิเนี่ยอย่างทาําชางเงี้ยมันจะเป็นตัวตนขึ้นมาใช่ก็อย่าไปตั้งใจสิแต่แพ่ถึงบอกว่าต้องไม่จงใจไง แต่ผมอยากทาฌานไงครับก็เลยต้องต้องเป็นตัวตนขึ้นมานครับก็ <G ül> <G ül> ใช่สิถ้าทําฌานมันก็เป็นตัวตนอย่างพวกฤษีชีไพรไงเขาเลยเชื่อว่ามีอัตตาจิตนี้เป็นอัตตาเข า, เขาทําฌานแล้วก็เลยสําคัญมั่นหมายว่าจิตเป็นอั ต, ตาพอร่างกายแตกสลายนะจิตที่เป็นอัตตานี้ก็ไปรวมอยู่กับพระเจ้าไปเป็นพรมเป็นอะไรงั้นไปงั้นหัดทาฌานก็ดีมีความสุข ลองไปคุยกับคุณดำเกิงคุณดำเกิงนะผมขาวๆพูดเท่าเนะี่ยใส่แว่นเล่นชานมานานนักหนานะลองไปคุยดูเพราะว่าผมมีความเห็นว่าการที่จะบรรลุอะไรเนี่ยถ้ามันไม่มีชานเนี่ยมันจะมันจะไม่ถูกต้องในขณะที่เกิดอริยมรรต้องมีชาญนแต่แตคนทำชาไม่เกิดอริยมรรไม่แต่ถ้าเกิดว่าเกิดอริยมรรแต่ว่าเกิดชาแต่ก็มันก็จะไม่ได้ผลของชาเี่คือมัน คือมันแบบสุขะวิปัสสโกกับกับเป็นแบบเจโตวิมุตต์แต่ถ้าเกิดสุขะถ้าเกิดวิปัสนาล้วนๆมันก็จะได้แต่ฌานอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเจโตวิมุตต์มันก็จะได้อย่างอื่นเพิ่มเติมผมก็เลยมีความเห็นอย่างนั้นส่วนใหญ่มันจะไม่เจโตวิมุตต์อะมันจะได้แต่เจโตสมถะ <c oughs> <c oughs> มันไม่วิมุตต์หรอกจริงๆแล้วในขณะที่บรรลุมรรคผลนะจะต้องบรรลุด้วยเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตติทุกๆคน ต้องมีทั้งสมถะกั้งวิปัสสนาควบกันนะในขณะเดียวกันเลยไม่มีอันใดนหนึ่งหรอกมารู้ด้วยอันใดนหนึ่งไม่ได้ไม่ว่าจะเดินมาด้วยวิธีใดแต่ว่าคนบางคนทําฌานก่อนมาทําฌานจิตสงบตั้งมั่นแล้วนี่ให้มารู้กายอพิจรณากายลงไปมารู้ลงในกายยืนเดินนั่งนอนรู้ให้มากๆเข้าไว้แล้วไปจิตรวมลงมาเห็นกายสลายไปหมดละเหลือแต่จิตอันเดียวก็เข้ามารู้จิตต่อเดินอย่างนั้นก็ได้ทางใครทางมัน อีกอย่างหนึ่งครับรูกควรจะจะกล่าวเรียนถามว่าตอนที่ทําชาเนี่ยตอนที่ถ้ามันเกิดชาแต่ว่ามันจะมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วมันก็จะลงไปอีกแล้วมันจะสู้สึกขึ้นมาใหม่มันจะรู้สึกถึงรับรบความรู้สึกแต่มันก็ลงไปอีกอย่างนี้อย่างนี้ปัญญบัสฑนานะครับไม่เป็นจิตมันไม่ตั้งมั่นมันไม่แนบแน่นนะมันเป็นชาที่มันไม่ถึงชามันได้อุปจาระอีมันลงไปพักประเดี๋ยวเดียวก็ขึ้นมาใหม่ขึ้นมาล่วงลมใหม่เออ แต่ถ้าเราจะเดินวิปัสสนานะเราก็เฝ้ารู้ไปแบบไม่มีส่วนได้เสียจิตรวมลงไปก็รู้จิตถอยออกมาก็รู้เห็นแต่ความแปรปรวนไม่เที่ยงของจิตเห็นแต่การบังคับไม่ได้ของจิตถ้าดูอย่างนี้ก็ใช้ได้เดินวิปัสสนาได้แต่ก็ยังเห็นเป็นจิตอยู่อะไรนะแต่ก็ยังเห็นเป็นจิตอยู่ครับเห็นเป็นจิตแต่จะไม่ใช่จิตเราละยังไม่เหออยังทําไม่ได้นะถ้าถ้าเห็นว่าไม่ใช่จิตเราก็โสดาบันละกราบธรรมสการหลวงพ่อครับ ผมปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งแล้วมีคําถามะครับว่าหลังๆเริ่มเห็นจิตไวขึ้นแต่ว่าจิตที่เห็นมันเบาลงนะครับมันไม่วูบวาบเหมือนแต่ก่อน อ, อ<ๆ>ก็ดีแล้วละ่ะหัดใหม่ๆมันก็วุบวาบหน่อยเหมือนเราเจอสาวครั้งแรกรู้สึกไหมวุบวาบพ อ, อแต่งงานอยู่หลายปีไม่วูบวาบละจิตนี้ก็เหมือนกันนะเห็นทีแรกโอ้ตื่นเต้นขนลุกผลชันหวื้ว ห, หวาวูบวาบใช่ไหมพอ<ๆ>เห็นานานๆเขากเริ่มเนียนเนียน นั่นแหละดูไปอย่างนั้นแหละครับแล้วสาหรับตัวผมมีอะไรต้องปรับปรุงบ้างไหมครับขยันหน่อยนะเรื่อยๆไปแล้วก็ตอนนี้บังคับไว้รู้สึกไหมอย่างบังคับตัวเองก็อย่าบังคับมันปล่อยมันอไปถึงไหนแล้วการรับราชการครับหลวงพ่อคื อ, อ, องานของผมคื อ, เ, อ, อเก็บค่าผันทางทางด่วนนะครับซึ่งมันมีความทุกข์เยอะครับในการที่จะ เจริญนิพพานาทำเนี่ยบางครั้งผมก็ดูที่ลมหายใจบางครั้งก็ดูที่ที่มือแต่ไม่รู้ว่ามันจะจะทํำเรียนยไปเราเรากําลังเก็บค่าผ่านทางไปดูอย่างนั้นไม่ได้นะให้ดูใจเราไว้เช่นเห็นไอ้คนขับรถคนนี้สวยใจเราชอบรู้ว่าชอบนะเห็นไอ้นี่หน้ายังกระยักเกลียดมันรู้ว่าเกลียดรืออย่างนี้นะบางคนยวนกวนประสาทกว่าจะจ่ายตังนะโอ้เอ๋อยู่นั่นแหละลาคาญมันขึ้นมารู้ว่าําคาญ คื อ, อย่างนี้นะ oh. อย่ามองแต่เพ่งอยู่ที่มือนะเดี๋ยวคิดต่งผิดอ๋อต้องต้องต้องดูที่ใจอย่างเดียวใช่ไหมดูความรู้สึกของเราไปคว า, ความรู้สึกของเราเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเช่นอากาศร้อนขึ้นมามันหงุดหงิดใช่ไหมดมควันรถยนต์มากๆมันหงุดหงิดหรือหายใจหายคอไม่ค่อยออกเนี่ยไม่สบายใจแล้วรู้ว่าไม่สบาย oh. มีบ้างไหมที่เห็นคนขับรถมาแล้วหน้าตาดีๆรู้สึก <laughs> เยอะเลยครับเออ นั่นแหละดูไปอย่างนั้นแหละเหนใครใจมันชอบรู้ว่าชอบผมบางครั้งผมก็นึกว่างานตรงจุดนี้มันทำให้เราเกิดปัญญาได้ได้เร็วขึ้นเหมือนว่าเร็วอารมณ์มันมันแปรปวนตลอดครับนั่นแหละตามรู้อารมณ์นะไม่ใช่ตามรู้มือนะใจเราแปรปรวนเราก็ดูความแปรปรวนของใจไปขอบคุณมากครับมีไหมประเภทกวนประสาทเคยเจอหมขอต่อมีทุกรูปแบบครับหลวงพ่อ ลดราคาบ้างได้ไหมคบบางครั้งก็เห็นอัตราตัวตนของคนที่แบบขับรถเบนซ์อะไรเงี้ยเขาแสดงอีโกออกมาแบบเต็มที่อะไรเงี้ยเราก็ดูไปหน้าเน็ตอนาตแล้วเราดูไปแล้วก็รู้สึกภูมิใจ่ากูเก่งไหมกูดูมึงออกแล้วมีเหมือนกันครับเนี่ยดูของตัวเองนะครับผมว่าแต่ดูอีโกคนอื่นคือบางครั้งผม ผมหาดทามผมคิดว่าต้องต้องดูที่มือว่ามือยกไปแล้วรับตังค์มไน่เอ า, านะเสียเวลามันชักช้าไปมัวต่ยกจะถอนตังค์เท่าดี่ยกเนี่ย <c oughs> ถ้าเรียนครบหลักสูตรแนละ้กวกาจะยื่นตังค์ได้ชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> ช้าไปไม่ทันกินอ๋อครับผมนะครับขอบคุณมากครับอ้ามีใครอีกไหมมีใครอีกไหมไม่มีจะได้เลิกออาวันนี้พอละ